คุณวิทูลไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่คอนโดย่านบางใหญ่เพื่อนนี้อยู่บนชั้นสี่ในห้องนั้นน่ะเขาอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่ใช่อยากขาดภรรยาแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยมีเมียมาก่อนเขาชอบเปรึกหมอดูเขาดูหมอได้ศึกษาด้วยตัวเองมีตำรับตำราโหราศาสตร์หลายเล่มคุณวิทูลนนะ่ะไม่เห็นตำราเหล่านั้นหรอกแต่เขาเล่าให้ฟัง คุณวิทูนเคยถามเขาว่าทำไมชอบหมอดูเขาบอกว่าปู่เขาก็ชอบเหมือนกันเขารักปู่มากเคยคลุกคลีกับปู่จะปู่ตายซะก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวความอยากเป็นหมอดูก็ฝังใจเขามาตั้งแต่นั้นแต่ว่าอาชีพที่เลี้ยงตัวเขาอยู่ทุกวันกลับไม่ใช่อาชีพหมอดูเขาเป็นพ่อค้าขายเครื่องหนังพวกกระเป๋าหนังซองใสโทรศัพท์ที่เป็นหนัง กระเป๋าสตังค์ของทุกชิ้นทํำด้วยมือไม่ได้มาจากโรงงานและคนที่ทําก็คือตัวเขาเองทําแล้วเอาไปขายด้วยตัวเองตามริมถนนตามตลาดต่างๆมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบของที่ทํำด้วยมือเขาบอกว่าเขามักจะโชคดีขายของได้ไม่ติดไม่ขัดคุณวิทูลก็ถามเขาว่ามีของดีอะไรเขาบอกไม่มีรับมีแต่เคล็ดลับพิเศษ วันนั้นที่คุณวิทูลไปหาเขานเป็นช่วงบ่ายๆเพราะกาลังเตรียมตัวจะออกไปขายของพอดีเขาก็คุยกับคุณวิทูลไปก็จัดของไปด้วยจัดของเสร็จก่อนจะออกจากห้องคุณวิทูลเห็นเขาหันไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงแล้วก็ออกปากกับคุณวิทูลว่าขอตัวเดี๋ยวเขานั่งนิ่งที่เก้าอี้เบื้องหน้ามีขนมเค้กชิ้นหนึ่งอยู่ในจาน ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างหน้าเขาเขานั่งนิ่งๆหลับตาสักอึดใจก็ลืมตาใช้ช้อนตักเค็กใส่ปากเคี้ยวไม่รู้ว่าเขาอารอร่อยหรือเปล่าแต่รู้สึกเขาจะจําใจกินก็คงกลัวมันจะเสียหรือยังไงไม่รู้เขากินเสร็จคุณวิทูลก็เลยถามเขาว่ากลัวมันจะเสียหรือยังไงเขาหัวเราะแต่ไม่ตอบก็ชวนคุณวิทูลออกจากห้อง วันนี้คุณวิทูลว่างก็เลยคิดว่าจะตามไปดูเขาขายของด้วยจะได้รู้ว่าเขาทํามาหากินยังไงเพื่อมีอะไรน่าสนใจอ่าก็จะได้จําไว้ระหว่างยืนรอแท็กซี่เขาก็พูดกับคุณวิทูลขึ้นมาว่าคนเรานะ่ะมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างยึดถือเอาไว้บ้างคุณวิทูลไม่เข้าใจแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรเขาก็ถามว่าแกมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวบ้างละ่ะอ่าคุณวิทูลก็งง เขาไม่เคยพูดอย่างนี้คุณวิทูลก็ถามเขาว่าสิ่งยึดเหนี่ยวใจอ่ะหรอือเขาก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าแกยึดถืออะไรบ้างคุณวิทูลก็บอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเขาพูดว่าตัวเขาในะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการจะไปทํามาหากินจะต้องทําตามเคล็ดลับอันนี้ก่อนคุณวิทูลก็ถามว่าเคล็ดลับอะไรอ่าเขาก็บอกว่าเคล็ดลับก่อนออกจากบ้าน ก็ถามว่าตำราของใครเขาบอกของปู่ตอนจะออกไปขายของไปหาเงินไปทําธุระปะปังอะไรต่างๆไปทําธุรกิจติดต่อกับใครๆถ้าทําตามเคล็ดลับนั้นแล้วจะดีจะลุล่วงสําเร็จสมความตั้งใจเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ก่อนจะออกจากบ้านเขาจะต้องล้างหน้าซะก่อนคุณวิทูลก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วไม่อาบน้ําเหรอเขาก็หัวเราะเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้น อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวจัดเตรียมข้าวของเรียบร้อยก่อนจะหยิบจ่วยข้าวของออกไปก็ไปล้างหน้าเสียก่อนล้างเอาเคล็ดไม่ใช่ล้างหน้าเพราะหน้ามันเละอะคุณวิทูลก็พยักหน้าเข้าใจพอถึงวันจันทร์ก่อนจะออกจากบ้านจะต้องนอนเสียก่อนคุณวิทูลก็หัวเราะนอนเหรอใช่ต้องนอนเสียก่อนอ่นอนพักสัหน่อยนึง อ้าวแล้วเสื้อผ้าไม่ยับหมดเลยเขาก็ใสนะ่น่ะบอกว่านอนเอาเคล็ดไม่ได้ น, นอนเอาถึงกับหลับถ้าขืนเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทํามาหากินกันแล้วคุณวิทูนนึกแล้วก็ขำเออทําเป็นนอนเสร็จแล้วก็เกิดหลับปุ๋ยไปแทนจะได้เงินกลับไม่ได้อะไรเลยอะสิอ้าวแล้ววันอังคารล่ะวันอังคารนี้ต้องกินของหวานฮะอย่างตะกี้นี่ไงที่ฉันกินน่ะ วันนี้วันอังคารก็ต้องกินของหวานหวานขนมหวานหวานอะไรที่มันหวานหวานกินมันซะหน่อยแล้วจะดีเอุ้ยระวังจะเป็นเบาหวานนะโอ้ยไม่ได้กินหนึ่งขนาดนั้นหรอกคุณวิทูลก็อดยาวก็ไม่ได้ทำเหมือนไม่เชื่อเรื่องที่เขาบอกความจริงก็เชื่อนั่นแหละแต่มันอดยาวไม่ได้ที่นี่มาถึงวันพุธวันพุธก็ต้องกินเหมือนกันแต่กินข้าว จะกินกะแกงอะไรก็แล้วแต่เท่าที่มีแต่ต้องกินเหมือนกับกินเล่นๆแต่ไม่เล่นนะต้องกินจริงๆจะกินเอาอิ่มหรือไม่ก็ตามใจกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก้าวเดินออกจากบ้านจะพบกับความราบรื่นโดยตลอดต่อมาวันพฤหัสวันพฤหัสเป็นวันครูก่อนออกจากบ้านตรงตรงรีเข้าไปในครัวไปทําไมอะเหรอเขาบอกให้ไปเอานิ้วจิ้มที่เตาไฟ แล้วก็เอาปลายนิ้วนั่นมาจิ้มที่หน้าผากตัวเองเขาเรียกว่าเจิมหน้าผากอ้าวแล้วหน้าผากไม่เลอะหรอเขาก็บอกว่าเลอะก็เช็ดออกทีหลังสิออกจากบ้านแล้วค่อยเช็ดแต่ทางที่ดีทําอย่างระมัดระวังนะ่ะมันไม่เลอะหรอกเขาบอกว่าสมัยปูหุงข้าวเตาไม้ฟืนเขาต้องจิ้มขี้เถ้าขม่าไฟมาเจิมหน้าผากกันเลยจระที่นี้วันศุกร์ทำยังไงอ่ะอ่าคุณวิทูลก็อยากจะรู้รีบถามกลัวจําไม่ได้ ก็ควักกระดาษออกมาจดเขาถามจะจดไปทำไมคุณวิทูลก็บอกว่าอืมเอาไปท่องให้จำเขารีบพูดว่าของอย่างนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะเขาใช้ได้ผลแต่คนอื่นยังไงไม่รู้เขาไม่กล้ารับรองแต่ที่แน่ๆ่ช่วยได้ในเรื่องกำลังใจความมั่นใจทีนี้ถ้าเป็นวันศุกร์ก่อนออกจากห้องเราจะต้องเดิน ไปตรงนั้นเดินมาตรงนี้ทำหน้านิว่วคิ้วขมวดรีรี ร, ร, รอรอลังเลเหมือนว่าลืมอะไรนึกไม่ออกว่าลืมอะไรหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีเขาจะหันรีหันมขวางอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยออกจากห้องเดินเลี้ย ว, วไปไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองน้าอันนี้วันศุกร์ที่นี่เมื่อถึงวันเสาร์เราก็จะทำเป็นหงุดหงิดลำคาญทำเป็นโกรธทำเป็นกล่นด่าฉุนเขียวสะบดคำหยาบออกมา ทำหน้าบูดบึง้งส่งเสียงเออะเอ็ดอึงอยู่ในห้องคุณวิทูลได้ยินแล้วอดอมยิ้มไม่ได้เพราะดันนึกไปว่าถ้าเขามีเมียมเมียคงจะหน้าเหงาหน้างอกโกรธเขาเป็นแน่เลยนี่นับบดีที่เขาอยู่คนเดียวเคล็ดลับวันอื่นพอทำเนาแต่เคล็ดลับวันเสาร์เนี่ยอาจจะทำให้คนที่มีครอบครัวแล้วเกิดบ้านแตกส ร, รกขาดได้ง่ายๆนะครับ แผ่นดินที่ราบสูงของหมู่เฮาชาวอีสานในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนยังเป็นบ้านป่าเมืองเถืนกฎหมายเอื้อมมือไปไม่ค่อยถึงเนื่องจากกำลังตำรวจยังมีน้อยชาวอีสานก็อยู่กันแบบอิสระเสรีโดยมีกฎเหล็กเป็นเครื่องควบคุมคนชั่วผู้ควบคุมกฎเหล็กก็มีฐานะเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านถ้าใครก่อกรรมทำชั่ว ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเก่งกาจเหนือมนุษย์ก็จะทําการจับกลุมไปส่งให้ฝ่ายบ้านเมืองพิจารณาโทษที่หมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งมีประชากรเกือบร้อยหลังคาเรือนถือเป็นชุมชนใหญ่มีบุคคลร้อยพ่อพันแม่จากทินต่างๆมาจับจองที่ดินทํากินแล้วก็ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยใครใครค้าก็ค้าใครใคขายก็ขาย คนจีนพ้นทะเลอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวเกิดสงครามกลางเมืองมีนิสัยชอบทํามาค้าขายก็พากันมาเปิดหน้าบ้านเป็นร้านขายอาหารเป็นร้านเหล้าร้านขายของโชว์หวยคนไทยอีสานเจ้าของพื้นที่นี่เป็นผ้ายื้ออย่างเดียวเพราะค้าขายไม่เป็นชั่วโมงนั้นมีคนสําคัญที่ควรจะกล่าวถึงอยู่สองคนหนึ่งก็คือนายยงขี้เมาประจําหมู่บ้าน ไม่มีเวลาไหนที่จะมีโอกาสได้เห็นนายยงสั่งเมาเพลงโปรดที่เขาแหกปากร้องเป็นประจำก็คือเพลงเล่าจ๋าเนี่ยนะเดินร้องไปแล้วก็หยิบขวดเหล้าที่หนีบไว้กับซอกรักแร้ขึ้นมายกสดนะอึกอึกอึกเติมความเมาเสร็จแล้วก็เดินร้องเพลงเล่าจา๋าต่อไป นอกจากนายยงขี้เมาก็ยังมีนายเหล็กผู้เก่งกล้าเคยยิงสู้กับโจรป้นควายแบบหนึ่งต่อสิบควายโจนสู้ไม่ไหวเพราะนายเหล็กยิงแม่นเป็นจับวางพวกมันยิงโดนแค่อากาศส่วนนายเหล็กนี่ลั่นกายนัดไหนเข้าจุดตายนัดนั้นพวกโจนเนี่ตายหัวขาที่ไปสี่ห้าศพแผ่นหนีเข้าป่าแทบไม่ทันต่อมาชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันเชื่อฟังนายเหล็กทานองลูกบ้านเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่บ้าน คนที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้มีเพียงรายเดียวก็คือนายยงขี้เมาทั้งนี้ก็เพราะคนเมาในย่อมเห็นช้างเท่าหมูเห็นเสือเท่าแมวกล้าแรกกล้าลุยไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมเวลาไปไหนมาไหนนายยงจะพกมีดปาดตาลขมกริบไปด้วยเสมอคนที่เดือดร้อนจากพิษสงความเมาของนายยงก็เลยหนีไม่พ้นอโกร้านขายเหล้ายาปราปิ้งซึ่งเปิดขายอยู่กลางหมู่บ้าน เห็นนายยงเดินเอะอะมาแต่ไกลแกก็จะต้องผวาทุกทียิ่งเดินเข้ามาในร้านแกก็ผวาหนักขึ้นายก็เอาเหล้ามาขวดยังไงกลับแกล้มของโปรดอีกจานหนึงนะไว้ไว้หน่อยนะเว้ยขากําลังเปรี้ยวปากพญาจกําลังดิน้นนะเอาเหล้ามาเร็วๆอย่าให้ต้องพูดเป็นซ้ำสองนะไล่ครับไลายลาย่ไล่ แต่ว่าที่เซนเชื่อไปสิบขวดอะช่วยจ่ายก่อนลไล่ไหมครับสั่งอย่างเดียวไม่จ่ายเงินสักบาทเดียวอ้วจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อเหล้ามาขายให้อ่ะครับเอาแล้ววะค่าเป็นหนี้เท่าไหร่ร้ว่ามานันเนี้เออสามร้อยบาบาทเลี่ยลนะครับยังไม่ถึงแสนเลยกล้าออกบากทวงเลยหรองั้นกูชักดาบไหม คำว่าชักดาบนี่มันอันตรายต่ออาชีพค้าขายมากอากูก็ต้องแข็งใจเอาเหล้ายาปลาปิ้งมาให้ในายยงตามคำสั่งเพราะว่าญาติพี่น้องของจอมขี้เมานี้ก็ยังพอพูดกันได้ถ้าเซนเชื่อมากเขาก็เอาเงินมาจ่ายให้สักทีนึงแต่ก็ไม่เต็มจํานวนนะักอ้างว่าเก็บหนี้เขามากกว่าที่กินเซนอ่ะแต่ก็ยังดีวัตถุชักดาบไม่ได้ทุนกลับเข้ากระเป๋าแม้แต่สลึงเดียว ขี้เมาส่วนใหญ่กับอันตพานเนี่ยมักจะเป็นคนคนเดียวกันในยงยังโสดไม่มีลูกมีเมียเวลาเมาได้ที่นี่ตาขวางเน่อยากจะมีเรื่องสมดังคำโบราณที่ว่าไว้ว่าขี้เมาเนะ่มีห้าจำพวกคือเมาเหมือนหมูเมาเหมือนหมาเหมือนไก่เหมือนเสือแล้วก็เหมือนงูการเมาชนิดดีที่สุดก็คือเหมือนหมูเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะ อิ่มเล้าอิ่มกับก็หลับปุ๋ยคนครอกรครอ ก, ร อ, กอยู่กับบ้านนี่ประเภทหมูแย่ลงมาอีกนิดหนึ่งก็คือเมาเหมือนไก่เมาหนักที่ไรก็โกงคอขันรากแตกรากแตนทุกทีไปเมาระดับสามได้แก่เหมือนงูถ้ากลิ่นได้ที่จะต้องเลื้อยไปต่อที่อื่นสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุเพราะว่าที่เดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ความเมา จำพวกที่สามนี่เมาแล้วไม่เลื้อยไม่ได้แย่ที่สุดก็คือเหมือนหมาเพราะว่าสดเหล้าได้ที่แล้วจะหูตาขวางอยากจะมีเรื่องกระโตะใกล้เคียงคอยพูดแฉ่ชาบ้านไม่รู้จบถ้ามีลูกมีเมียก็จะด่าลูกด่าเมียจนกว่าจะเมาพับไปเองแล้วที่แย่ที่สุดของความแย่ก็คือเหมือนเสือขี่เมาพวกนี้อวดเกง่ง อวดแบ่งกินเหล้าที่ไหนจะพูดคุยเอะอะมะเถิงแต่คนอื่นจะคุยเสียงดังไม่ได้นะเดินเหยียบเงาก็ไม่ได้จะนั่งคุยกันอย่างสุภาพจะไปอวดร่ำอวดรวยไม่ได้จะเกิดความมันไสแล้วลุกขึ้นไปขย้ำหรือว่าตะปบกัดเอาง่ายๆสำหรับนายยงนี่จัดอยู่ในประเภทเหมือนงูเลื้อยแล้วก็เหมือนหมาชอบเลื้อยไปกินเซนเชื่อตามร้านเหล้าในหมู่บ้าน ก่อนกินก็โวยวายให้เจ้าของร้านก็ผวาขณะดื่มกินก็เอะอะกวนโวยโต๊ะข้างเคียงครั้นเมาได้ที่ก็เซ็นเชื่อติดมือไปต่อร้านอื่นอีกหนึ่งขวดเพื่อจะไปอารวาสที่ร้านอื่นอีกชาวบ้านที่เจอพิษสงของนายยงเป็นประจำจนเหลืออดเหลือทนก็พร้อมใจกันไปหาในเหล็กไปร้องทุกข์กล่าวโทษนายยงให้ในเหล็กได้รู้เ อ, อ้อแย่จริงๆเลย มันยิ่งกับปริงดูดเลือดซะอีกว่าเจอมันจะไลยลูกค้าเปิดหนีทุกทีจนล้านว่าจะเจ๊งอยู่แล้วขคาก็เหมือนกันนะพี่เหล็กเดินผ่านมันธรรมดาธรรมดามันก็บอกมองหน้าหาเรื่องทำท่าจะชักมีดปาดตันมาปาดกระเดือกข้าซะให้ได้เสียงร้องทุกดังระ ง, งมไปทั้งสองหูในเหล็กแสดงว่าเดือดร้อนกันจริงๆไม่ได้พูดเล่นเอาละเอาละ ถ้าอายงมันกำแหงหานขนาดนั้นเดี๋ยวข้าจะไปห้ามปรามมันเองถ้าไม่เชื่อฟังก็จะได้เห็นดีกันคราวนี้ยอ้าสบายใจได้แล้วพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพอพูดจบในเหล็กโคตรคนจริงแห่งที่ราบสูงก็สะพายดาบอวคม่าพวกหัวเดินอาจอาจออกจากบ้านไปยังร้านเหล้าที่รู้มาว่านายยงกําลังอลวาดอยู่ เพิ่งไปถึงถนนกลางหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงนายยงเ อ, อะมะเทิ่งมาจากไกลเอ๊ตะกี้เอ็งเดินเข้าร้านเนี่ยเหยียบเงาหัวข้าเต็มตีนเลยยังไม่ทันขอขมาก็ไปนั่งสดเหล้าสบายใจเฉบเลยหรือไงวะอยากจะเจอมีดปาตานก่อนใช่ไหมถึงจะได้รู้จักความมีสัมมาคารวะกับเขามั่งตัวจะทำฉันเลยพี่ฉันมากินเหล้า เจอกันทุกเย็นนะทำไมเย็นนี้ถึงได้ดุนะกะเอ๊ะทำไมเหยียบเงาหัวศพประมาทชาตินักเลงใครจะดุร้ายก็เอ็ง้ไว้ไหมานการเมาสุราอารวาดอย่างไรเหตุผลของนายยงนี่สร้างความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านเกินไปแล้วในเล็กก็ไม่ช้าแล้วเร่งผีเท้าไปถึงร้านอโกอย่างรวดเร็วเอ๊เดี๋ยวยงเมาเล่าก็กลับบ้านเข้านอนซะ อยาก่อกควนความสงบสุขในหมู่บ้านครใครว่ากล้าแสกับเรื่องของเสืออย่างไอหยงอ๋ออ้าวอ๋อในเหล็กเหรอแหมมาพอดีเจ้าดิ้งดิ้งดิ้งแหมกําลังเหงาไม่มีเพื่อนร่วมวงมะมานั่งสดเหล่ากันให้อาเล็ดบเนียมือนี้คะ่ะขอเป็นเจ้าภาพเองไม่ต้องอะออกมาคุยกันนอกร้านดีกว่า คนอย่างข้านะั้ไม่กินเหล้ากับคนผ่านมาวันนี้เพื่อจะออกคำสั่งเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเอ็งจะเอะอะอาลวาดเอากับใครอีกไม่ได้เด็ดขาดทำมาอย่างนั้นดาบเล่มนี้กับมีดปาดตาลของเอ็งนี่จะต้องดวลกันให้ตายไปข้างแน่จริงก็เข้ามาเลยกิตติศัพความเป็นสมิงร้ายในดงเสือเคยพกปืนกระบอกเดียว ดาบรละสมีโจนร้ายถึงห้าศพซอนกระทั่งชุมโจนแตกพ่ายหนีตเตลิดไปอยู่จังหวัดอื่นคือความหน้าครั้นครามของนายเหล็กที่นายยงเคยได้ยินมาเย็นนี้ไม่มีปืนแต่ว่าดาบที่สะพายไหลมันก็หน้าหวาดเสียวมากเล่นเอาส่างเมาไปขวาครึ่งแต่ก็ยังรักษาหน้าตัวเองก็แกลงไก่ทาเป็นเมาหนักเดินโซซัดโซเซออกมาคุยกันนายเหล็กถึงหน้าร้านอักโก เามาเป็นบ้ า, ามันจะอ้วกได้ไงแมมอยู่ๆริดเล้าก็ตีขึ้นจนมึนไปหมดจนนี้ดันะเขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนมาเมาอ้าวเมื่อตะกี้ยังพูดชอดจะชอดว่าชวนข้าตั้งวงกงเล่ากันโอ้ยฉันดีใจที่เห็นนายเหล็กก็เลยสั่งไปแป๊บหนึ่ง แต่แม้ตอนนี้เมาจนยืนแทบไม่อยู่อะคนเมาก็อย่างนี้ยอย่าไปถือสาหาความกันเลยนะแวงเสีเงสาบานได้ไหมว่าเมาทุกอย่างทำไปเพราะความเมาเป็นเหตุอจะเอาไปสาบานกันเจ็ดวัดเจ็ดวาก็อย่างได้มันเมามันมืนเป็นบ้าเลยแวกแสดงว่าเมาจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม อืมคือพอเมาทีไรมันคนเละอย่างนี้ทุกทีทําอะไรได้หมดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงหรือเปล่าจริงซี้ยิ่งกว่าจริงอีกนะอึ๊บแหวะก็แปลว่าเมาจนกินขี้ได้งั้นสยิยิ่งกว่ากินขี้คือกินได้ฮะแหวะเอาละดีละพรุ่งนี้ตอนสายสายไปเจอข้าที่บ้านข้าเอ็งเมาให้แอนอย่างที่เอ็งชอบเลยนะ เดี๋ยวข้าจะเตรียมขี้ใส่จานไว้ให้ถ้ากินได้จริงข้าจะยอมรับความเดือดร้อนทุกอย่างที่เอ็งทําลงไปเป็นเพราะเหล้าทําพิษเมาจนขาดสติไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่พี่น้องทั้งหลายฟังไว้นะถ้าไอายงกินขี้ไม่ได้อย่างปากว่าเนี่ยข้าในเหล็กนี่จะตัดหัวมันเสียบประจานไว้หน้าหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ขี้เมาหน้าไหนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกได้ได้ได เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามนัดนะนายเหล็กก็เสียบดาบกลับเข้าฝักตามเดิมคำเม่นมองสบตานายยงอีกสักครู่ก่อนจะเดินพละจากไปนายยงตอนนี้สางเมาเป็นปิดทิ้งเลยเดินจำพรวดกลับไปนอนแล้วตีนก่ายหน้าผากที่บ้านเป็นทุกข์กับวันพรุ่งนี้ที่จะเวียนมาถึงในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทั้งนี้คำพูดของนายเหล็กถือเป็นประกาศสิทธิ์ซึ่งใครจะล้ำมืดมิได้ ตกถึงตอนสายวันรุ่งขึ้นนายยงก็ดื่มเหล้าตั้งแต่คอนรุ่งหมดไปสองขวดจนเมาแอนหน้าแอนหลังเดินโซซัดโซเซไปยังบ้านนายเหล็กตามนัดระหว่างทางก็มีชาวบ้านหอบลูกจุงหลานบ่ายโสมหน้าตามไปดูอา่าไปบ้านนายเหล็กไม่ขาดสายแสดงว่าต้องการจะดูคนกินขี้กับตาตัวเอง ทั้งนี้เพราะเปิดพิศดารขนาดไหนก็ยังไม่เคยมีเมนูกินขี้มาก่อนข่าวขี้เมาจะกินขี้นี่แพร่สะพัดไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงมีชาวบ้านแห่มาดูกันมืดพ้ามัวดินจนลานบ้านหน้าเรือนใต้ถุนสูงของไหนเหล็กนี่คับแคบไปถนัดบรรดาไทยมุงก็บปืนต้นไม้จนไม่มีที่ให้ปีนต้องผลัดกันขี่ขอดูก็เห็นในยงทาเป็นเมาสงงะเงาะสัเ ง, งะ กว่าจะขึ้นบันไดไปถึงชานเรือนได้โควิดจะพลัดหล่นลงมาหลายหนแต่ว่าแงนหน้ามองเห็นในเหล็กยืนคุมเชิงพร้อมดาบในมือในยงก็แข็งใจตะกายขึ้นไปนั่งในห้องโถงต่อหน้าขี้ในจานได้สำเร็จโชคดีนักหนาที่เป็นขี้ชนิดก้อนไม่เหลวเละเป็นโจกหน้าคลื่นไส้ฝ่ายในยงโดนในเหล็กขมน้นมองอย่างดุร้ายไม่วางตากก็กลัวจนขนลุก หลับหูหลับตาคว้าก้อนขี้กัดใส่ปากกลืนไปคำหนึ่งอ่าแล้วก็ร้องถามด้วยความผื อ, มออึดผอมริงแค่นี้ใช้ได้แล้วนะเออเ อ, อได้แปลว่าเท่าที่ทำชั่วเป็นเพราะเมาไม่รู้เรื่องจริงๆถ้ารู้เนี่ะกินขี้ได้ยังไงโทษผิดคราวนี้ข้าจะงดเว้นให้ต่อไปห้ามเมาเหล้าอารวาดอีกเข้าใจไหม เข้าใจเข้าใจครับลาละครับ เ, อ, อ, เ อ, อในยงตะเกียกตะกายลงจากเรือนใต้ถุนสูงพาตัวเองหายลับไปยังท้ายหมู่บ้านจะไปอ้วกแตกรากเขียวรากเหลืองที่ไหนไม่รู้แต่เขาก็สามารถสร้างประวัติการขี้เมากินขี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อความอับอายคราวนั้นมีเหลือหล้นพลนประมาณทำให้ในายยงสํานึกได้ว่า เขาต้องพบกับความอับปย์อสูรเพราะเล่าเป็นเหตุเล่าไม่เคยให้คุณแก่ใครต่อให้ดื่มอย่างสงบอยู่กับบ้านมันก็ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุถ้าเล่ามีคุณความดีแม้แต่น้อยนิดมันคงไม่ถูกจัดให้อยู่ในศีลห้าที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้สาธุชนงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาเป็นแน่จากความอับปย์คราวนั้น ปรากฏว่านายยงหายเข้าคลีบเมฆไม่มีใครพบเห็นเขาในหมู่บ้านอีกเลยไม่รู้จะไปเข้าสู่กระบวนการอดเหล้าที่ทำกระบอกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นสักคนเดียวครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ